ศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่านางอิรันธติประดับประดานุ่งผ้าเรียบร้อยทัดทรงดอกไม้ประพรมด้วยจุนแก่นจันทร์จูงมือปุญญกะยักษเข้าไปสู่สำนักแห่งพระบิดาบรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าเข้าไปสู่สำนักแห่งพระบิดาปิตุสันติกะมุปาคมิได้แก่ เข้าไปสู่ที่อยู่ของพระบิดาปายปุณกะยักษ์ติดตามไปยังสำนักของพญานาคเมื่อจะทูลขอนางอิรันทตีจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่ามูนาคขอพระองค์ได้ทรงโปรดสดับถ้อยคาของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงรับสินสอดตามสมควรข้าพระองค์ปรารถนาพระนางอิรันทตี ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันทตีเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอได้ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้นคือช้างหนึ่งร้อยเชือกม้าหนึ่งร้อยตัวรถเทียมม้าหนึ่งร้อยคันเวียนบรรทุกของเต็มล้วนแก้วต่างๆหนึ่งร้อยเล่มเกวียนขอได้โปรดพระราชทานพระราชธิดาอิรันทตี แกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสินสอดสุงกัยังความว่าขอพระองค์จงทรงปฏิบัติคือทรงรับเอาทรัพย์คือสินสอดเพื่อพระธิดาตามสมควรแก่ตระกูลและประเทศของพระองค์เถิดข้อว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณา ให้ข่าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันทตีเถิดตายะสมังคิงกโรหิมังตุวังความว่าขอพระองค์จงทรงกระทาข้าพระองค์ให้เป็นผู้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันทตีราชธิดานั้นเถิดคำว่าเกวียนบรรทุกของคะระพิโยได้แก่เกวียนสำหรับบรรทุกสิ่งของคำว่า ล้วนแก้วต่างๆนานารตานัตนสระเกวลาได้แก่ล้วนเต็มไปด้วยแก้วนานาชนิดลำดับนั้นนาคราชจึงตรัสกะปุณนกะยักษ์นั้นว่าขอท่านจงรออยู่จนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติมิตรและเพื่อนที่สนิทเสียก่อนกรรมที่กระทำด้วยการไม่ปรึกษาหารือย่อมเดือดร้อนในภายหลัง บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือยาวะอามันตะเยความว่าแน่ยักษ์เสนาบดีผู้เจริญเราจะให้ทิดาแก่ท่านไม่ใช่จะไม่ให้แต่ว่าท่านจงรอสักหน่อยจนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติยาวะอามันตะเยยาตีได้แก่ จนกว่าเราจะแจ้งให้แม้พวกญาติทราบด้วยข้อว่ากรรมย่อมเดือดร้อนในภายหลังตังปัจฉาอนุตับปฏิพยาวรุณนาคราชตรัดว่าเพราะว่ายิงทั้งหลายบางทีก็ยินดีรักใคร่กันบางทีก็ไม่ยินดีรักใคร่กันในสถานที่ที่พวกเธอไปแล้วเมื่อเวลาเขาไม่ยินดีรักใคร่ต่อกัน พวกญาติมิตรย่อมจะไม่ช่วยกระทำความขวนขวายด้วยคิดว่ากรรมที่ทำโดยไม่ได้ปรึกษาหาหรือกับพวกเราย่อมเป็นเช่นนี้กรรมนั้นอย่างนี้ย่อมจะนามาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชสเสด็จเข้าไปยังนิเวศตรัสปรึกษากับพระชายาแล้วได้ตรัสคานี้ว่าพุณกะยักษ มาขอลูกอิรันธตีกับเราเราจะให้ลูกอิรันธตีซึ่งเป็นที่รักของเราแกปุณณะยักษ์นั้นเพราะได้ทรัพย์เป็นจํานวนมากหรือบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสเสด็จเข้าไปปวิสิทวาความว่าปล่อยปุณณะยักษ์ไว้ในที่นั้นนั่นเองพระองค์ก็สเสด็จลุกขึ้นเข้าไปยังพระนิเวศ พิชายาของพระองค์บันทมอยู่คำว่าซึ่งเป็นที่รักของเราปิยังมะมังความว่าพระองค์ตรัสถามว่าเราจะให้ทิดาซึ่งเป็นที่รักของเราแก่ยักษ์นั้นโดยได้รัย์เครื่องปลื้มใจเป็นอันมากหรือพระนางวิมาลาเทวีตรัสว่าปุณกะยักษ์ไม่พึงได้ลูกอิรันทตีของเราเพราะรั์ เพราะสิ่งที่ปลื้มใจแต่ถ้าปุญญกะยักษ์ได้หัตถ a ของวิธุรบัณฑิตแล้วนำมาในนาคพิภพนี้โดยชอบธรรมเพราะความชอบนั้นเขาจะพึงได้ลูกสาวของเราม่อมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหัทถของวิทุรบัณฑิตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าลูกอิรันธตีของเราอัมหังอิรันธตีได้แก่ อิรันทตีที่ดาของเราคำว่าเพราะความชอบนั้นเอเตนะวิตเตนะได้แก่ด้วยอาการที่ยินดีนั้นนั่นแหลลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชสเสด็จออกจากนิเวศแล้วตรัสเรียกกุณกกะยักษ์มาตรัสว่าท่านไม่พึงได้ลูกอิรันทตีของเราเพราะทรัพย์เพราะสิ่งที่ปลื้มใจ ถ้าท่านได้หัตถ a ของวิทุระบัณฑิตแล้วนำมาในหน้าพิภพนี้โดยชอบธรรมเพราะความชอบนั้นท่านจะพึงได้ลูกสาวของเราเราไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหัตถของวิทุระบัณฑิตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตรัสเรียกบุรกะยักษ์มาปุณณามันตะยิตวานะได้แก่เรียกบุนกะยักษ์มา อุณกยักษุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในโลกนี้คนบางพวกย่อมเรียกคนใดว่าเป็นบัณฑิตคนพวกอื่นกลับเรียกคนนั้นนั่นแล ว, ว่าเป็นพานในเรื่องนี้คนทั้งหลายยังกล่าวแย้งกันอยู่ขอได้ตรัสบอกแกข้าพระองค์พระองค์ทรงเรียกใครว่าเป็นบัณฑิตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า คนใดว่าเป็นบัณฑิตยังปันดิตโตความว่าได้ยินว่าอุณกะยักษ์ได้สดับวว่าทไทยของบัณฑิตคิดว่าคนบางพวกเรียกคนใดว่าเป็นบัณฑิตแต่คนพวกอื่นก็เรียกคนนั้นแหละว่าเป็นผ่านทั้งที่แม่นางอิรันทติบอกเราว่าวิุรบัณฑิตแม้โดยแท้ ถึงกระนั้นเราจะทูลถามเทา้าเธอให้รู้แน่นอนกว่านั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้พญานาคราชตรัสว่าบัณฑิตชื่อว่าวิทุรผู้ทาการสั่งสอนอัตธรรมแก่พระเจ้าทนันชัยโกรับพยราชถ้าท่านได้ฟังได้ยินมาแล้วท่านจงไปนําบัณฑิตนั้นมาครั้นท่านได้มาโดยทำแล้ว อิรันทตีทิดาของเราจงเป็นภรรยาของท่านเถิดบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าครั้นท่านได้มาโดยธ ร, รมแล้วธรรมลัทธาได้แก่ได้มาแล้วโดยธรรมคำว่าภรรยาปาทจราวะได้แก่เป็นหญิงบำเรปลายปุญญกะยักษ์ได้สดับพระดำรัสของเทววรุณนาคราชดังนี้แล้ว ยินดียิ่งนักลุกขึ้นแล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่าเจ้าจงนำมาอาชาในที่เตรียมไว้แล้วมาณที่นี้บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าสั่งอสังสิได้แก่สั่งบังคับคนใช้ของตนคำว่าอาชาในอาชันยังได้แก่ ม้าสินทบตัวรู้เหตุและไม่ใช่เหตุคําว่าที่เตรียมไว้แล้วยุดตังได้แก่ประกอบเสร็จแล้วพระโบราณอาจารย์กล่าวพรรณนาม้าสินทบนั้นไว้ว่าม้าสินทบอาชาไนนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคํากีบหุ้มด้วยแก้วแดงมีเครื่องประดับ อ, อกล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุษย์อันสุขใส บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าประดับด้วยทองคำชาตารูปะมะยาความว่าเมื่อจะกล่าวพันนานาม้าสินทบนั้นนั่นแหลจึงได้กล่าวอย่างนั้นจริงอยู่มาสินทพมโนไม้นั้นมีหูทั้งสองล้วนแล้วด้วยทองคำคำว่ากรีบหุ้มด้วยแก้วแดงกาจามหิจะมะยาขุราความว่า ม้าสินทบนั้นมีกีบล้วนแล้วด้วยแก้วมณีแดงคําว่าทองชมพูนุชอันสุขใสชมโพนะทัตสปากรสะความว่ามีเครื่องประดับ อ, อกล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุชมีสีแดงสุกปลัง่งบุรุษคนใช้นั้นนําม้าสินทบมาในขณะนั้นนั่นเองคุณกะยักษ์ขึ้นขี่มา้าสินทพอาชาในนั้น พอไปสู่สำนักของท้าวเวสวรรค์โดยทางอากาศแล้วพันานาพบแห่งนาคแล้วบอกเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงได้ตรัสว่าอุนกัยักผู้ประดับประดาแล้วแต่งผมและหนวดดีแล้วขึ้นมาอันเป็นยานพาหนะของเทวดาเพะไปในอากาศกลางหาว ปุนกะยักษ์นั้นกำหนัดแล้วด้วยกามราคะปรารถนานางอิรันทตีน่ากัญยาไปทูลเท้ากุเวระเวสว ร, ร์ผู้เรืองยศผู้เป็นใหญ่แห่งมูยักษ์ว่าพบนาคนั้นเขาเรียกชื่อว่าโพควดีนครบ้างวาสนาคอนบ้างยิรัญญวดีนครบ้างเป็นเมืองที่บุญกรรมนิรมิตล้วนแต่ทองคํา สำเร็จแก่พญานาคผู้บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่างป้อมและเชิงเทินสร้างโดยสันฐานคออูดล้วนแล้วด้วยแก้วแดงและแก้วลายในนาคพิภพนั้นมีปราศาสตร์ล้วนแล้วด้วยศิลามณีมุงด้วยกระเบื้องทองในนาคพิภพนั้นมีไม้มะม่วงไม้หมากเมาไม้ว่าไม้ตีนเป็ดไม้จิกไม้การะเกดไม้ประยงไม้ราชพฤกษ ไม้มะม่วงหอมไม้ปาริชาตไม้ยางสายไม้จำปาไม้กากะทิงมลิ้อนมลิลาและไม้กระเบาต้นไม้ในหน้าพิภพเหล่านี้มีกิ่งติดต่อกันและกันงามยิ่งนักในหน้าพิภพที่เท้าวรุณ น, นาคราชผู้มีฤทธิ์มากผุดขึ้นเกิดอยู่มีต้นอินทภาล่ลำอันสำเร็จด้วยศิลามณี มีดอกและผลล้วนไปด้วยทองบ้านอยู่เนืองนิดมเหสีของพญานาคราชนั้นกำลังรุ่นสาวทรงพระนามว่าวิมลามีพระรูปโฉมอันประกอบด้วยสิริงดงามดังก้อนทองคําสะโอดสะองดังหน่อเถาจิงจ้อดำพระถันทั้งคู่มีสันฐานดังผลสะเดาหน้าดูยิ่งนักพระชวีวันแดงดังน้ำครั้ง เปรียบเหมือนดอกกันนิกาอันแย้มบานเปรียบดังนางอับสรผู้เที่ยวอยู่ในสวรรค์ชั้นไตรทศหรือเปรียบเหมือนสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่พระนางวิมลานั้นทรงแพ้พระขันทรงปราถนาดวงหัตถของวิทุระบัณฑิตข้าพระองค์จะถวายดวงหัทถของวิทุระบัณฑิตแก่ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลา เพราะการนำดวงหาไทยของวิทุระบัณฑิตไปถวายแล้วท้าวรุณนาคราชและพระนางวิมลลาจะพระราชทานพระนางอิรันทตีราชธิดาแก่ข้าพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพาหะของเทวดาเทววาหะวหังมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าวาหะเพราะอัดว่าพึงนำไป ชื่อว่าพาหณะของเทวดาเพราะอัดว่านําวาหะกล่าวคือเทวดาไปคำว่ายานยานังมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่ายานเพราะเป็นเครื่องนําไปคือเป็นเครื่องไปคำว่าแต่งผมและหนวดดีแล้วกับปิตเเกสมัสสุได้แก่แต่งผมและหนวดดีแล้ ว, ด, ด, ล ว, ด, ด, ลวด้วยอำนาจการตกแต่ง ก็ธรรมดาการแต่งผมละนวดของเทวดาทั้งหลายย่อมไม่มีแต่ก็กล่าวถ้อยคำให้วิจิตไปคำว่าปราธนาชิคิงสังได้แก่ประสงค์คำว่าเวสวร์เวสวนังได้แก่พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งวิสาณราชธานีคำว่าท้ากุเวระกุเวรังได้แก่ผู้มีชื่ออย่างนั้น คำว่าชื่อว่าโพควดีนครโพควตีนามะได้แก่ที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นประเทศที่มีโพคะสมบัติสมบูรณ์คำว่าพบนาคมันทิเรความว่าพระราชมทียนคือพระราชวังข้อว่าชื่อว่าวาสะนะครบ้างฮิรัญญวดีนครบ้างวาสาฮิรัญญวตี ความว่าท่านเรียกว่าวาสนะครนเพราะเป็นที่ประทับของพญานาะคและเรียกว่าฮิรัญญวดีนครเพราะเป็นเมืองแวดล้อมไปด้วยรั้วทองคำคือด้วยกาแพงทองคำนั่นแหละคำว่านคกเรตนิมิตเตเป็นเมืองที่บุญกรรมนิรมิตแก้เป็นนครังนิมิตตังคำว่าล้วนแก่ทองคำการจะนะเมเย ได้แก่สำเร็จแล้วด้วยทองคําว่าบริบูรณ์ด้วยพภกทรัพทุกอย่างมันดารสษะได้แก่ประกอบด้วยโภคมนฑนคําว่าสำเร็จนิิตังได้แก่สำเร็จในเพราะการทำคําว่าสร้างโดยสันฐานคออูดโอทะคีวิโยได้แก่กระทำโดยสันฐานดังคออูด ข้อว่าล้วนแล้วด้วยแก้วแดงและแก้วลายโลหิตังคัสะมะสาระคาิโนได้แก่ป้อมและหอคอยอันสำเร็จด้วยแก้วแดงสำเร็จด้วยแก้วตาแมวคำว่าในนาคพิภพนั้นมีปราศาสปราสาเถถะได้แก่มีปราศ า, าสาาศาในนาพิภพนี้คาว่าล้วนแล้วด้วยศิลามณี สิลามายาได้แก่สำเร็จด้วยมณีคำว่าด้วยกระเบื้องทองโสวันนรัตเนนะความว่ามุงด้วยรัตนะกล่าวคือทองคือด้วยอิฐอันสำเร็จด้วยทองคำคำว่าไม้มะม่วงหอมสหได้แก่ต้นมะม่วงหอมคำว่าไม้ปาริชาตอุปริพันดกาได้แก่ ต้นปาริฉัดคำว่าไม้ราชพฤกษ์อุทาลกาได้แก่ต้นราชพฤกษ์คำว่าไม้จำปาไม้กากะถิงมลิซอนจำเปยกานาคมาลิกาได้แก่ต้นจำปาต้นกากะถิงและต้นมลิวันคำว่าในนาคพิภพนั้นมาริลาและไม้กระเบา พคินีมาลาอัตเถถะโกริยาได้แก่ไม้มะลิลาและต้นกระเบาย่อมมีในหน้าคิปพบนี้คําว่าต้นไม้เหล่านี้มีกิ่งติดต่อกันและกันเอเตทุมาปรินามิตาความว่าต้นไม้ที่ผลิดดอกออกผลเหล่านั้นมีกิ่งเกี่ยวพันน้อมหากันและกันนุ่งนังคําว่า ในนาพิภพที่มีต้นอินทภาลัมขัดชุเรธหะได้แก่ต้นอินทภาลัมมีในนาพิภพนี้คำว่าอันสำเร็จด้วยศิลามณีศิลามยาได้แก่สำเร็จด้วยแก้วอินทนินคำว่ามีดอกและผลล้วนไปด้วยทองบานอยู่เนืองนิดโสวรนณทุวปภิตาความว่า ก็ต้นไม้เหล่านั้นมีดอกอันสำเร็จด้วยทองบานอยู่เป็นนิดคำว่าที่ผุดขึ้นเกิดอยู่ยัตทะวะสะโตปปาติโกได้แก่พญานาคผู้เกิดอยู่ในภพนาคใดคำว่ามีพระรูปโฉมอันประกอบด้วยสิริงดงามดังก้อนทองคำการจนะเวลลิกวิคหาได้แก่ มีพระสรีระอันมีสิริเช่นกับหนอทองคำข้อว่าโสดโ อ, องดังหนอเถาจรจ้อดำกาลาตรุนาวะอุคตาความว่าผุดขึ้นแล้วดังยอดอ่อนของกาลวั ล, ลีที่ถูกลมอ่อนพัดเพราะประกอบด้วยความงามคำ ว, ว่าพระถันทั้งคู่มีสันฐานดังผลเสดาวปิจุมันดัตนีได้แก่ มีพระถันทั้งสองมีสันฐานดังผลเสดาวคำว่าพระชวีวันแดงดังน้ำครั่งราคาระสะรัตตะสุดชวีนี้ยักกล่าวหมายถึงพระชวีวันแห่งพื้นพระหัตและพระบาทคำว่าผู้เที่ยวอยู่ในสวรรค์ชั้นไตรทศติทิโวกัจราได้แก่ผู้เที่ยวอยู่ในภพชั้นไตรทิพคำว่า เปรียบเหมือนสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆวิชุวพักนาความว่าเปรียบเหมือนสายฟ้าที่แลบออกจากกลีบเมฆคือจากภายในแห่งกลีบเมฆอันหนาทึบข้อว่าจะถวายดวงหัตถ a แก่ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลลาตั้งในสังทธามิความว่าเราจะให้ดวงหัตถ a ของวิทุระบัณฑิตแก่พวกเขา ท่านจงรู้อย่างนี้ปุณกะยักษ์เรียกพระเจ้าลุงว่าอิสระข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่